ทำอันนี้โยมจะเชื่อหาไม่ได้ภายใต้ลมเป็นอากาศเปล่าด้วยเล่าเออน้ําจะตั้งอยู่กับอะไรพระนาคเษนเมื่อจะวิสัชนาแก้ไขจึงเอาธรรมมกรกตัากอุทะกังแล้วก็เอามือปิดปากธรรมมกรกไว้มิให้อุทะกังไหลลงได้ถือไว้ให้พระเจ้าวิลินปินกษัตริย์ทัศนาการทอดพระเนตรจึงถวายพระพรว่า